วันที่หนับหนึ่งใหม่ด้วยพละห้าฉันตั้งนาฬิกาปลุกไว้ตีห้าซึ่งเป็นเวลาเดิมเพื่อเตรียมตัวไปทำงานเมื่อเสียงกริ้งยาวดังขึ้นฉันก็ลุกขึ้นนั่งด้วยความสดชื่นที่ได้นอนเต็มอิ่มเอื้อมมือกดปุ่มปิดเสียงนาฬิกาและเปิดไฟกลางห้อง ขณะถือผ้าเช็ดตัวตรงมาที่ห้องน้าก็ต้องชะ ง, งักกึกเมื่อเหนื่อยหน้าขึ้นเห็นนาฬิกาเหนือประตูห้องน้าเห็นบอกเวลาตีสี่ฉันงงจนต้องนิ้วหน้าเกาหัวและเดินกลับเข้าห้องนอนเพื่อเช็คเวลากับนาฬิกาปลุกหัวเตียงคงมีเรือนใดเรือนหนึ่งบอกผิดแ น, แน่แต่แล้วก็ต้องชะ ง, งักอีกคารพ เมื่อพบว่าเข็มนาฬิกาชี้บอกเวลาตีสี่เหมือนเรือนข้างนอกห้องฉันยืนกระพริบตาปริบๆเข้าไปเพ่ง ใ, ลใกล้ๆก็เห็นเข็มกำหนดเวลาปลุกชี้ที่เลขห้าถูกต้องเอาละสิฉันไหนนาฬิกาคู่ใจจึงร้องแรกแหกกระเชิขึ้นมาในเวลาตีสี่อย่างนี้ได้ควรจะขนลุกไหมเนี่ยฉันกลืนน้ำลายเอื้อกแล้วนั่งแปะลงกับพื้น อาจจะเป็นเสียงนาฬิกาในฝันอาจจะเป็นนาฬิกาของจริงบกพร่องที่ดังก่อนกำหนดหรืออาจจะเป็นปาฏิหาริย์ที่เรียกแบบภาษาชาวบ้านได้ว่าผีหลอกจะด้วยเหตุผลกลใดอนยญาตจะรับรู้ฉันสาบานเจ็ดวัดเจ็ดวาเลยว่าเมื่อครู่ได้ยินเสียงนาฬิกาปลุกจริงๆเคยได้ยินมาว่าเมื่อใครตั้งใจเข้าทางตรง กับทั้งได้พบทางตรงแล้วถ้าหากอ่อนแอคิดล้มเลิกมักมีเหตุการณ์มาขวางหรือผลักดันกลับมาเข้าทางเสียใหม่ไม่ยอมให้เลิกล้มปณิธานง่ายๆเคยแต่ได้ยินเล่าๆกันแต่เนี่ยมาเจอกับตนเองเป็นครั้งแรกฉันพยายามคิดว่าจิตใต้สํานึกปลุกตัวเองด้วยการสร้างเสียงนาฬิกาขึ้นในฝันสร้างแบบเลียนเสียงจริงได้เหมือนเปียบ จนฉันต้องเอื้อมมือไปตบนาฬิกาเพื่อปิดเสียงนั่นแหละจะได้สบายใจหน่อยแต่เสียงนาฬิกาปลุกลึกลับก็ได้ทำให้ฉันฉุกคิดหลายอย่างประการแรกขณะนี้ตีสี่แต่ใจนึกว่าเป็นตีห้าก็รู้สึกสดชื่นเหมือนนอนเต็มตื่นแล้วนี่แปลว่าอะไรที่ผ่านมาฉันตื่นอย่างงัวงเงีย เพราะความเห็นแกนอนชัดๆฉันแค่รู้สึกว่าทำไมต้องตื่นทั้งที่ยังไม่ต้องตื่นเท่านี้ก็เกาะให้เกิดความง่วงเหงาเหานอนได้แล้วอีกประการหนึ่งเมื่อเลิกตั้งใจเอาจริงเอาจังเลิกเห็นตัวเองยืนมังุ้มั่งงาหรายู่ที่หลักกิโลแรกของเส้นทางแสนกิโลเมตรแต่เริ่มวันใหม่ด้วยความรู้สึกปกติ มีความพอใจแค่เพียงตื่นขึ้ น, นมาสูดอากาศสดชื่นร่างกายและจิตใจก็เข้าที่ของมันเองแล้วฉันล้วงสมุดบันทึกขึ้นมาจากถังขยะเขียนลงไปในหน้าบันทึกวันที่หกว่านับหนึ่งใหม่และเขียนกำกับไว้ด้วยว่าถ้าวันสุดท้ายของชีวิตฉันยังเจเริญสติไปไม่ถึงมรรคถึงผล ฉันก็พร้อมจะนับหนึ่งใหม่ที่วันนั้นทุกอย่างย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นใหม่ฉันเห็นเหตุผลว่าทำไมควรนั่งหลับตาตามรู้ลมสักพักทําเช่นนี้ก็เพื่อให้เหลือแต่ลมหายใจกับความคิดเก่าๆไม่มีภาพและเสียงใหม่ๆมาล่อให้ส่งออกนอกฉันมีหน้าที่แค่เฝ้าดู ด้วยใจที่เปิดสบายไปเรื่อยๆกำหนดรู้เท่านั้นว่าลมหายใจกําลังออกหรือว่าเข้าแปลกดีที่เช้านี้ไม่ง่วงเลยจิตใจสบายเห็นลมหายใจผ่านเข้าผ่านออกผ่านเข้าผ่านออกด้วยสติแจ่มใสกว่าทุกครั้งจะเป็นเพราะเสียงนาฬิกาปลุกลึกลับหรืออะไรก็ตามแต่หลังจากกำหนดเลิกทำสมาธิ ลืมตาลุกขึ้นล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ำเสร็จเห็นเหลือเวลาพอสมควรก็ามานั่งจดบันทึกยามเช้าเขียนว่าวันนี้ฉันวิดกลับไปเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งกิเลสมีเป็นกองทัพฉันจะสู้กับกองทัพด้วยมือเปล่าและร่างที่ผายผอมไม่ได้ฉันต้องมีกำลังพลติดอาวุธกับร่างที่กำยำ พละกําลังที่เอาไว้เดินหน้าประจันกับกิเลสในทางการปฏิบัติธรรมภาวนาเพื่อมักผลเรียกว่าพละห้าประกอบด้วยหนึ่งศรัทธาความมีศรัทธาทั้งในพระพุทธเจ้าและทางเดินคือสติปัฏฐานส 2. วิริยะความมีใจเพียรต่อเนื่องไม่ย่อหย่อน สสติความสามารถยกจิตขึ้นรู้วัตถุอันเป็นเป้าหมายเฉพาะหน้า 4. สมาธิความสามารถตั้งจิตให้มั่นคงไม่หวั่นไหว 5. ้ปัญญาความสามารถกำหนดรู้วัตถุอารมณ์โดยความเกิดดับเมื่อวานกับเช้านี้องค์คือศรัทธาของฉันหดหายหมด เพียงเพราะเกิดความล้มเหลวไม่สาเร็จผลเร็วอย่างใจไม่เชื่อตัวเองไม่เชื่อผลอันเกิดจากเหตุที่เพียงพอสมน้ำสมเนื้อจึงทำให้วิริยะของฉันพลอยหายหุนไม่เหลือแม้แต่เงาจะเอาอะไรมาตั้งสติให้เกิดสมาธิเพื่อเห็นความเกิดดับได้ละวันนี้ศรัทธากลับมาหมายอีกครั้งจะโดยสิ่งลึกลับใดมาเตือนให้ตื่นก็ช่าง เอาเป็นว่าฉันเริ่มเชื่อแล้วว่าถ้าเข้าทางถูกจริงด้วยความตั้งใจมุ่งมั่นเพียงพอสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะไม่ทอดทิ้งเหมือนดังที่ปรากฏในธรรมิกเทระคาถาว่าธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติ ธ, ธรรมกุศลธรรมย่อมคุ้มครองคนดีสติปัฏฐานย่อมเลี้ยงผู้ปฏิบัติธรรมไว้ในทาง แต่ถ้างองแง่บ่อยๆธรรมะก็อาจตัดหางปล่อยวัดได้เหมือนกันเดินทางไปทำงานด้วยสติที่สดใสขึ้นกว่าเดิมวันนี้วันเสาร์ทำแค่ครึ่งวันก็กลับบ้านได้กำลังใจกับกำลังสติดูดีควบคู่กันคำว่ารู้แค่ไหนเอาแค่นั้นปรากฏกับใจอีกครั้งฉันกำลังรู้แบบสบายๆตามกำลัง และเห็นว่าเมื่อมีกำลังมากก็รู้ได้มากขึ้นเองโดยไม่ต้องพยายามควบคุมเมื่อแวบไปทางโน้นทีทางนี้ทีก็เบี่ยงความสนใจกลับมาหาลมเองแถ่ไม่ต้องสังเกตมากก็สำเนียกรู้ได้ชัดว่าลมหายใจสบายขึ้นพลอยลากยาวเข้าลึกยิ่งขึ้นตามลำดับสติไปด้วยไม่มีความพยายามเร่งรัดผิดจังหวะ ลมจึงเข้าออกตามความเรียกร้องทางกายอย่างแท้จริงณจุดที่มีกําลังมากเมื่อมองย้อนกลับไปเปรียบเทียบจึงเห็นว่าอาการรู้แค่ไหนเอาแค่นั้นอาจนำมาซึ่งความเคยชินพอเคยชินนานไปก็กลายเป็นข้ออ้างว่าเดี๋ยวพร้อมกว่านี้แล้วค่อยรู้ออกทํานองรู้ก็ช่างไม่รู้ก็ช่าง และในที่สุดก็กลายเป็นความทอดทุระแบบไม่รู้ก็ช่างอย่างเดียวไปเลยการอยู่ในทางแคบของคาวรวาสต้องมีอะไรมากกว่าอาการทางจิตแบบนั้นจึงจะทำโพชงทั้งเจ็ดให้บริบูรณ์ได้ฉันเริ่มนึกถามตัวเองเหมือนคนอื่นๆสงสัยว่าเราเนี่ยมีบุญญาบา ร, รมีหรือวาสนาแต่ปางก่อนมากน้อยเพียงใด ความรู้สึกข้างในมันอ่อนๆชอบกลจะเรียกไก่อ่อนหานท้าชิงนักมวยเฮฟวีเวทก็คงได้ฉันถูกสอนให้ภูมิใจในวาสนาที่สร้างจากความเพียรในปัจจุบันมากกว่าวาสนาที่สร้างจากบุญกรรมในอดีตเพราะวาสนาแบบหลังมีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้และต่อให้มีจริงใครคนหนึ่งในห้วงอดีต ก็ไม่ใช่ฉันในเวลาปัจจุบันอีกต่อไปจึงไม่ควรหวังกินบุญบุคคลไร้ตัวตนแม้ได้ชื่อว่าเป็นเราเองในชาติก่อนคิดแล้วก็เกิดความรู้สึกเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นหนทางยังอีกไกลก็ช่างตราบใดที่สามารถมีสติรู้ลมหายใจเข้าออกด้วยความสดชื่นรื่นเริงในธรรมเหมือนอย่างนี้อะไรอะไรก็คงไหวอยู่หรอก เป็นวันที่ไม่ถูกคู่อริราวีในห้องประชุมเพราะทำงานแค่ครึ่งวันนับว่าโชคดีพอสมควรทั้งวันฉันทำงานอย่างเพลิดเพลินแล้วก็รู้สึกว่าสามารถไหวทันความเข้าออกของลมหายใจได้เรื่อยๆนับแล้วมีสติรู้ลมได้เกิน2ี่สบครั้งก่อนจะเริ่มเลือนไปถือว่าดีกว่าทุกวันที่ผ่านมา ที่บางครั้งเฝ้าพะวงห่วงลมจนเครียดแต่บางครั้งก็ปล่อยใจล่องลอยเผลอเมอหน้าดูชมสรุปในคืนที่หาการภาวนาไม่ได้เดินหน้าด้วยการเอาใจใส่ภาคเพียนหรือยกสติขึ้นตั้งให้เป็นสมาธิอย่างเดียวบางครั้งต้องเติมศรัทธาที่เริ่มเหือดแห้งเข้าไปด้วยและทางเดียวที่จะรู้ว่าศรัทธาพร่องไปหรื อ, อยังก็คือต้องสารวจตรวจสอบ การมีสมุดบันทึกประจำตัวคือวิธีเตือนตนเองได้ดีวิธีหนึ่งมันเป็นเหมือนเพื่อนเตือนความจำและบางครั้งก็เป็นเพื่อนเตือนสติไปในตัวสิ่งที่ฉันมีไม่เหมือนคนอื่นนั้นหาใช่ความเก่งกาจหรือบุญเก่าล้นฟ้าอันใดแต่เป็นความมุมานะและกลับมาเริ่มนับหนึ่งใหม่ได้เร็วเพียงชั่วข้ามวันที่เหมือนถอยหลังเข้าคลองไปแล้ว นอกจากนั้นยังมีความจริงในด้านที่ไม่ค่อยเสริมมงคลอีกประการหนึ่งที่น่าบันทึกไว้คือถ้าถูกปลดปล่อยเป็นอิสระย้อนกลับไปฟุ้งร้านตามอำเภอใจได้วันหนึ่งคล้ายทำงานหนักแล้วพักร้อนเปิดหัวเสื้อบ้างพอกลับมาใหม่ทุกอย่างจะสดใสขึ้นเหมือนมีกำลังวังชามากขึ้นที่สําคัญต้องไม่พักนานเกินไป ทำนองเดียวกับนักกีฬาถ้าต้องนั่งนานดูคู่ต่อสู้ทําแต้มก็จะลดความคมลงแต่ถ้านั่งให้หายล้าพอควรจะกลับมาใหม่ด้วยกําลังวังชาสดใหม่และลืมตาได้เต็มตื่น